มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาสัตตมวครอรหันตะสะโมหปัญหาที่แปดถามว่าพระอรหันต์มีโมหะหรือไม่ถ้าไม่มีท่านต้องอาบัตบ้างหรือไม่ราชา สมเด็จพระเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการถามอัตปัญหาอื่นสืบไปว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาเคเสนผู้ปรีชาญานอารหาสะโมโหวิคตะโมโหพระอระหันต์เจ้าประกอบด้วยโมหะหรือมีโมหะปราดไปแล้วพระนาเคเสนถวายพระพรว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร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 นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนายกเหตุขึ้นแสดงให้โยมเข้าใจในการบัดนี้พระนาค เ, เสนถวายพระผนว่ามหาราชะดุรานะบอพิษพระราชสมภารลักษณะแห่งโทษมีสองประการเป็นปันนติวัชชะประการหนึ่งโลกวัชชะประการหนึ่งอันว่าอากุศลกรรมบทสิประการนี้สมเด็จพระทศพลยาน